ขกราบบูชาพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอกราบบูชาหลวงปู่เทียนหลวงพ่อรำเขียนผู้เป็นอาจารย์แล้วก็ขอกราบน้ำม ก, การหลวงหลวงพ่อกรมแล้วก็ขอนาม ก, การพระภิกษุ สมณีนทุกรูปพระเทรานุเทระขอเจริญพรแม่ชีและก็ผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมในโอกาสนี้ก็นั่งตามสบายนะ <c oughs> <c oughs> ในวันนี้ท่านอาจารย์ทรงศิลปนะ์ก็ได้ให้โอกาสนะแต่ ตัวกับผมเรืยอตามามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ปฏิบัติการเจริญสติตัวกับผมเรืยอตามาเองได้สนใจเรื่องของการเจริญสติเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานนะประมาณ2030ปี ก็ระยะทางที่ผ่านมาก็มีผิดบ้างถูกบ้างหลงบ้างรู้บ้างระยะแรกๆเนี่ยก็ไปสนใจการนั่งแบบหลับตากำหนดลมหายใจนะที่เรียกว่าอานาปนสติเพราะเราเข้าใจว่าการฝึกสมาธิเนี่ยต้องนั่งหลับตานิ่ง แล้วก็จิตสงบเป็นสุขมันก็สุขจริงๆอะ่ะนั่งแล้วมันก็สงบมันนิ่งจริงๆอะ่ะมันมีปฏิมันมีปิติเกิดขึ้นมีความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายอิ่มเ อ, อิบบางวันไม่ต้องกินข้าวก็ได้แต่ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิแบบนั้นเนี่ย ก็เป็นความสุขเพียงแค่ในช่วงขณะที่เรานั่งหลับตาใช้ลมหายใจเท่านั้นเองแล้วบางทีมันก็ทำให้เราหลงตัวกระผมเนตามาเองก็หลงคิดว่าตัวเองรู้แล้วเข้าใจแล้วบรรลุธรรมแล้วตอนนั้นที่ไปเรียนรู้เนี่ยตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่นะเป็นนักศึกษาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ประมาณปี2519 นะบางคนอาจจะยังไม่เกิดนะตอนนั้นก็ไปเรียนรู้กับพี่สุภวรรณสุภวรรณกรีนถ้าใครเคยอ่านหนังสือหรือติดตามเว็บไซต์จะทราบดนะีก็เป็นคนสอนให้ตัวกับปุนรัมมาเองรู้จักวิธีการฝึกสมาธิโดยใช้อานาปนานสติแลวก็ชอบใจและก็คิดว่าเป็นวิธีการที่ ที่ดีที่ถูกต้องนะแล้วก็พยายามทำเรื่อยมาทีนี้เมื่อเราทําแล้วเราสงบเรานิ่งเนี่ยในขณะที่เรานั่งเนี่ยมันก็มีความสุขดีแล้วก็ไปเข้าใจว่าตัวเราเองเนี่ยบรรลุทาแล้วแต่พอกลับไปอยู่ที่บ้านนะพอเราไปได้ยินเสียงค น, คนก็พูดขัดหูบ้างไม่ถูกใจบ้างเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรายังโกรธอยู่ ไหนว่าเราบรรลุทำแล้วเราเข้าใจแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อเน้นเป็นเพียงแค่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนความสุขที่เราได้กินได้เที่ยวได้เล่นได้ไปนู่นมานีนะ่นั้นก็เป็นความสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกันนะกินอาหารอร่อ ย, ออยฟังเพลงเพราะ ได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆ ต, ตื่นตาตื่นใจได้ใส่เสื้อผ้าใหม่นะได้ได้กินได้เที่ยวได้เล่นนะซึ่งอันนั้นก็เป็นความสุขแต่เป็นความสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เราต้องวิ่งหาให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งตัวผมด้วยทำไมเองก็เป็นอย่างนั้นมานะคิดว่าหลายคนก็เป็นแบบนี้ และคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็เป็นแบบนี้ที่เราทำงานกันเหน็ดเหนื่อยเพื่อเพื่อที่จะมาหาสิ่งที่จะบำรุงบำเรอความสุขทางกายความสุขทางใจแต่ความสุขทางใจที่ว่านี่ส่วนใหญ่คือความที่เราได้อะไรสมอยากแต่บางทีมันก็ไม่สมอยากอย่างเช่นกินอาหารอร่อยๆเนี่ยถ้ากินซ้ำๆเนี่ยมันก็เบื่อได้ นะมันก็ไม่ไม่ได้สมอยากไปเสมอนะตรงนี้เราก็ต้องวิ่งหาเงินหาทองเอามาบำรุงบำาเรอนะทำให้เราเหน็ดเหนื่อยก็สุขบ้างทุกบ้างและคนตนกันไปนะชีวิตของคนในปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นตัวกระผมด้วยทํามเองก็เป็นอย่างนั้นมาแต่เมื่อเราได้มาสัมผัสกับ ก, บการที่นั่งสงบแล้วมันมีความอิ่มใจ มีปิติขึ้นมาในขณะที่เรานั่งเนี่ยโอ้ยนี่มันเยี่ยมเลยมันยอดเยี่ยมกว่าไอ้ความสุขที่ได้จากการกินได้จากการเที่ยวจากการเล่นแต่มันก็เป็นความสุขในขณะที่เรานั่งหลับตาเป็นความสงบในชั่วขณะนั้นแล้วตื่นออกมามันก็ยังติดติ ด, ตดเรามาอยู่บ้างยังล้ำลึกความรู้สึกนั้นยั่อยู่บ้างมันติดตัวเราอยู่บ้างเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยสวดมน มีสมาธิดีอิ่มใจไม่กินข้าวทั้งวันก็ยังได้นะนี้ก็คือเ ป, เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราฝึกนั่งหรือทำสมาธิแบบทีเ่เรียกว่าอานาปนาสนะิซึ่งอันนั้นก็เป็นของที่เป็นความสุขชั่วคราวก็ยังไม่อิ่มใจนะในการที่จะสแสวงหาความสุขที่เกิดขึ้นนะก็พยายามเรียนรู้ จากครูบาอาจารย์หลายท่านนะอ่านหนังสือของท่านจาย์พุทธธาตไปถือศิลกินเจที่สันเติยโศกนะกับพ่อท่านโพธิรักไปเรียนรู้เรื่องโลกวิญญาณกับสำนักปู่สวรรค์ที่จังหวัดราชบุรนะีแล้วก็ไปมีโอกาสครั้งหนึ่งได้ไปวัดธรรมกายแต่ก็ไม่ได้ฝึกอะไรมากมายสมัยที่ท่านทำ ท, ทวัดให ม, ใหมนะ่ตอนนั้นก็ไปเรียนรู้ นั่งเพ่งดวงแก้วให้ดวงแก้วใสให้เห็นองค์พระข้างในจากองค์พระใหญ่องค์พระเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะแล้วก็มองลงไปที่องค์พระนั้นเรื่อยๆจิตก็สงบนะแต่ว่าตัวธรรมาเองไม่สงบไม่เห็นอย่างที่เขาบอกนะอันี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ได้ไปฝึกมาเหมือนกันเอ่อตอนหลังเนี้ยได้มีโอกาสฟังอาจารย์โกวิท นะพูดถึงหลวงพ่อคําเขียวเออหลวงพ่อเทียนนะที่วัดสนามในประมาณปี2องพันหรหรือ22เนี่ยนะตอนนั้นก็กําลังจะจบก็ได้มีโอกาสไปพบหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในนะแต่ว่าก็ยอมรับว่าในช่วงแรกเนี่ยฟังหลวงพ่อเทียนไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าหลวงพ่อเทียนใช้ภาษาภาษาเมืองเลยเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ในวิธีการเนี่ย นั่งสร้างจังหวะนี้เราก็แปกใจว่ามันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเพราะแต่ก่อนเราเคยนั่งนั่งสมาธิแบบหลับตานะเป็นความสุขนะแล้วมาเคลื่อนไหวอย่างนี้มันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรนะก็ยังสงสัยอยู่แต่การที่เราเป็นคนที่ชอบศึกษาชอบเรียนรู้นะก็พยายามไปเรียนรู้กับหลวงพ่อเทียนฟังอาจารย์โกวิดบ้างฟังครูบาอาจารย์หลายๆท่านบ้างก็พอจะจับประเด็นได้ นะ ว, ว่าวิธีการที่เราต้องมายกมือเนี่ยนะเหตุผลนั่นหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะเรียกความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราต้องยอมรับว่าคนในโลกปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ใจไม่เคยอยู่เนื้อกับตัวใจไปอยู่กับเรื่องข้างนอกเรื่องโลกเรื่องสังคมเรื่องเพื่อนเรื่องคนอื่นนะเป็นส่วนใหญ่เพราะการศึกษายุค ป, ปัจจุบันนี้ สอนให้เรามองออกไปข้างนอกมองออกไปนอกตัวเราแล้วก็เราก็ไปสัมผัสกับโลกข้างนอกเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็จะรู้สึกเหนื่อยบางทีเราก็รู้สึกเหงาว้าเวนะหรือว่าอาจจะสับสวนวุ่นวายแล้วพอเกิดอาการอย่างนี้เราก็พยายามที่จะไปแสวงหาสิ่งภายนอกมากลบเกลื่อนหรือชดเชย อย่างเช่นบางทีเราเหงาเราก็พยายามหาเพื่อนไปดูหนังฟังเพลงที่ปัจจุบันเรามีโทรศัพท์เราก็ใช้โทรศัพท์หาเพื่อนก็คือชดเชยความรู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวเขาบอกสังคมปัจจุบันนี้คนเยอะแยะเลยเราไม่น่าจะเหงาแต่เหงาคนในยุคปัจจุบันนี้เหงาขี้เหงาจริงๆไม่ต้องอะไรเราดูจากโทรศัพท์ได้บางคนมียังสองเครื่อง บางทีมีทั้งสามเครื่องใช่ไหมในการที่จะพูดคุยในการที่จะโต้อตอบกันแต่ไม่มีใครเคยพูดถึงเลยว่าทํำยังไงที่เราจะกลับมาที่ความเหงาแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเหงาด้วยพอเราความเหงามันเข้ามาในจิตใจเราเนี่ยเราก็พยายามหนีหนีโดยการหาเพื่อนบ้างดูหนังฟังเพลงทํำนู่นทํา น, น, านี่บ้างบางคนก็ใช้วิธีการกินกินมากๆก็ตุยนะอ้วนนะ นี่คือเราเบอาศัสสิ่งทั้งนอกเนี่ยมามากบเกลื่อนเราก็ต้องวิ่งหาอยู่เรื่อยไปเราไม่ได้กลับมาดูที่ต้นเหตุเมื่อได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างจังหวะนะกะหลงพระเทียนใหม่ๆนี่ก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่รู้เรื่องจริงๆแต่หลวงพ่อให้บอกให้ทำอะไรเราก็ทำแต่้เราเราเนี่ยเป็นคนเรียนหนังสือมามากเราก็ไม่เคยเชื่อเท่าไหร่ แต่ก็ก็ยังคิดอยู่ในใจมันทําได้ยังไงสงสัยว่ามันจะมันจะมีผลยังไงความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นคําที่พูดง่ายอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่กระจายอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินในฟังมันจำอ่ะมันจําแต่มันไม่อยู่ในใจมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทําเพราะฉะนั้นฟังไปบางทีก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างลืมบ้าง ระยะแรกๆเนี่ยได้ไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนนะฮะหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเป็นเป็นเป็นพระที่ใจดนะีในความรู้สึกก่อนตมาเป็นพระใจดีแล้วท่านเอาใจใส่มากถ้าใครปฏิบัติเนี่ยท่านจะพยายามดูแลแล้วก็ไปสอบถามปฏิบัติแล้วเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นมาบ้างท่านก็จะแนะวิธีการแก้อารมณ์ต่างๆ สมัยก่อนนี่ตัวกระผมโนตธรมาเองก็ได้ไปฝึกกับหลวงพเจียรเนี่ยท่านก็บอกให้เราดูความคิดเลยนะเพราะเพราะเห็นว่าเราจบปริญญาตรีเราเรียนระดับปริญญาตรีเราเป็นปัญญาชนแล้วนะ <c oughs> ดูความคิดเลยนะโนตมาก็ดูความคิดปรากฏว่าก็ลื่นไหลไปกับความคิดคิดเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องบาลามจบไป ก็ต่ออีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็ต่อเป็นเรื่องราวไปลักษณะแบบนี้มันก็คือมันไม่มีสติมันไปอยู่ในความคิดแล้วมันก็มืนหัวบางทีเราเดินมากๆเราก็มืนหัวบางทีก็เดินไม่เป็นเรื่องบรราวความคิดฟุ้งซ่านมากมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อคำเขียนได้มีโอกาสลงไปที่วัดสนามในนะแล้วก็ตอนนั้นก็มีการจัดอบรมจําได้ว่าน่าจะเป็นการเก็บอารมณ์แบบอุกุศล นะก็คือไม่พูดไม่คุยแนะล้วหลวงพ่อกำเเขียนนะก็ไปไปช่วยหลวงพ่อเทียนก็ฝึกปฏิบัติแล้วเนี่ยไอการที่เราคอยดูความคิดเฝ้าดูความคิดแต่ก่อนเราจะได้ยินว่าเฝ้าดูความคิดติดตามความคิดวิปัสสนาคือเฝ้าดูความคิดนะเราก็ได้ยินมาอย่างเงี้ยพอเราดูมากๆ ม, มันถึงมมุนใช่ไหมแล้วมันก็ไม่รู้ตัวจริงๆอนะแล้วก็มุนหัวก็เลยมาถามหลวงพ่อกำเเขียนหลวงพ่อกำเเขียนบอกว่าอย่าพิง่ง ใหม่ๆเนี่ยให้เราทําความรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวก่อนความคิดเนี่ยมันละเอียดอ่อนมันไม่มีตัวตนเราจะไปดูมันเลยเราจะไปหยุดยั้งมันเลยเนี่ยมันยังไม่มีเครื่องมือมันยังไม่มีตัวถ่วงมันยังไม่มีฐานท่านก็บอกว่าอย่าพึ่งไปสนใจกับความคิดมันคิดอะไรมา ช่างมันไม่ตม้องไม่ต้องไปตามมันไม่ต้องไปดูมันไม่ต้องไปหารายละเอียดมันกลับมาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวที่เรานั่งสร้างจังหวะ14จังหวะเนี่ยนะกลับมาตรงนี้มันคิดไปก็กลับมาตรงนี้หรือเดินจงกรมเนี่ยคิดไปกลับมาตรงนี้ง่วงนอนกลับมาตรงนี้ถ้าเราเดินช้าเดินเร็วขึ้นนะก็คือเล่นกับมันอนะเล่นกับตัวเราเนี่ย เพราะฉนั้นมันก็เลยไปตรงกับสติปัฏฐานสูตรข้อแรกคือกายานุปัสสนาก็คือมีความรู้สึกตัวที่กายก่อนเพราะฉะนั้นพอเราทําอย่างนี้เนะี่ยเรารู้สึกหลุดเลยหลุดใ น, นที่ไี้หมายถึงว่าโอ้โหมันโล่งเลยที่เรามึนๆหัวนี่นะที่มันหนักๆ ห, หัวนี่มันโล่งเลยมันมาอยู่ที่กายเนี่ยหมวงพเขียนนั่นเปรียบเทียบไว้อย่างดีมากว่า เหมือนเราจะเดินข้ามน้ำเนี่ยนะมันมีสะพานข้ามเนี่ยถ้าสะพานไม่มีราวเนี่ยมันเราต้องระมัดระวังใช่ไหมทีนี้ถ้ามันมีราวเนี่ยเราก็เดินสะดวกเหมือ น, ก, นการที่เราจะกลับเข้ามาดูกายดูใจของเราเนี่ยเริ่มต้นที่กายก่อนเอากายเอาการเคลื่อนไหวของกายเป็นฐานก่อนของนี้มันมีตัวตนมันสัมผัสได้มันเห็นชัดเจนมันง่าย ง่ายกว่าจะไปดูความคิดง่ายจะกว่าจะไปดูไอ้สุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราตรงเนี้ยง่ายง่เพราะนั้นหลวงพ่เทียนเนี่ยท่านได้ฝึกมาหลายวิธีเท่าที่ฟังประวัติท่านพุทธโทสัมมาอาลัางยุบหนอพองหนอท่านลองมาหลายวิธีแล้ววิธีเนี้ยที่ท่านคิดขึ้นมาเนี่ยท่านก็ปรับมาจากวิธีการก็เรียกว่าการฝึกแบบ ตีงนิ่งก็คือไหวนิ่งของประเทศลาวนะที่ท่านไปเรียนรู้มาแต่ว่าวิธีการตีงนิ่งหรือไหวนิ่งของประเทศลาวเนี่ยเขาจะมีคำบริกรรมแล้วก็จะทําช้าชา้านะตอนหลังหลวงพ่อท่านเอามาประยุกต์ใช้โดยทําตามธรรมชาตนะิมีการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติแล้วไม่ต้องบริกรรมเพราะคำบริกรรมเนี่ย ม, ม, ม, มันจะเป็นความคิดขึ้นมามันจะเป็นความคิดขึ้นมามันทําให้เราไม่สามารถไปสัมผัสกับ ความจริงกายที่เคลื่อนไหวจริงๆความรู้สึกสุขทุกข์จริงๆมันจะไปติดตรงนั้นทีนี้พอเราเรารู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยบ่อยๆเพราะนั้นที่เรามาทํากันเนี่ยนะเราทําบ่อยๆมันซ้ำซากมันเบื่อนายก็จริงอะ่ะมันสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาเราต้องยอมรับว่าตั้งแต่เราเกิด จนเราอายุ ข, ขนาดนี้เนี่ยเราลืมตัวไปเท่าไหร่เรารู้ตัวเท่าไหร่เข้าใจว่าลืมตัวมากกว่ารู้ตัวรู้ตัวที่มีก็เป็นสติสามัญธรรมดาที่เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่องต่างๆในการทำงานในการอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นอารมณ์ความโกรธความอยาก สิ่งเหล่านี้มันะเอียดอ่อนบางทีเรารู้นะโกรธไม่ดีมันร้อนขึ้นมาแต่เราห้ามไม่ได้สติมันที่มีอยู่เนี่ยเราใช้การไม่ได้มันเฉยเกินไปมันอ่อนกำลังเกินไปด้วยนี้นเองเราจึงต้องมาฝึกที่มาฝึกกันเนี่ยก็คือต้องการที่จะมาพัฒนาคำว่าพัฒนาเนี่ยภาษาธรรมะเรียกว่าภาวนา วันก่อนมีคนถามว่าภาวนาในหมายถึงบริกรรมใช่ไหมไม่ใช่ภาวนาก็คือพัฒนาพัฒนาความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ยให้มันมีความฉับไวขึ้นมีความรวดเร็วสามารถที่จะตันทันความคิดทันอารมณ์ได้ความคิดเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดมากเลยเขาบอกแสงนี่เร็วที่สุดแล้วนะแต่ความคิดนี่เร็วกว่า แต่สิ่งที่เร็วทันกับความคิดก็คือความรู้สึกตัวซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเจ้าชายสิทธตถได้ค้นพบเมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วท่านค้นพบมีมืดก็มีสว่างมีคิดก็มีไม่คิดก็คือความรู้สึกตัวนี้เองหลวงพ่อเทียนท่านมาฝึกของท่านแล้วก็พบสิ่งนี้แล้วมันก็ไปตรงกับที่เจ้าชายสิทธตถ์พบเหมือนกัน แล้วก็มีในพระไตรปิฎกด้วยเรื่องสัมปชัญญะบัพพะก็คื อ, อ, อการฝึกโดยใช้การเคลื่อนไหวแต่ก่อนหลวงพ่อเตียนไม่ได้อ่านหนังสือท่านท่านไม่รู้หนังสือท่านบอกว่าไม่มีในพระไตรปิฎกแต่จริงๆมีจะมีหรือไม่มีก็ตามแต่เมื่อเราฝึกตามวิธี ท, ที่ท่านบอกเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อเราฝึกกับกายที่เคลื่อนไหวแล้ว ฝึกบ่อยๆเรื่อยๆจนเกิดนิสัยแห่งความรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็จะเริ่มใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นกุญแจไขเข้าไปดูสิ่งที่ละเอียดอ่อนเข้าไปในตัวเราสิ่งที่ละเอียดอ่อนเข้าไปก็เป็นกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยแล้วก็อาการต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นปวดเมื่อยนะเหน็บชาขึ้นมาหรือแม้แต่ร้อน หนาวความรู้สึกเหล่านี้การเคลื่อนไหวของตาของลมหายใจที่ละเอียดอ่อนขึ้นหรือแม้แต่กลิ่นของดอกไม้ที่มันเป็นกลิ่นอ่อนๆเราก็จะได้ได้กลิ่นหรือถ้าความรู้สึกตัวเราชัดขึ้นแม้แต่การลิ้มรสอ่านที่รสจืดเราก็ลิ้มรสได้แต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าเราต้องกินอาหารที่มันรสจัดนะรสจืดเราไม่ค่อยชอบ ผลไม้ลสจืดเนี่ยบางทีมันก็มีรสรสหวานรสเค็มรสอะไรต่างๆซึ่งความรู้สึกนี้ประสาทสัมผัสนี้มันจะละเอียดอ่อนมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นผลจากสติที่เราได้ฝึกเมื่อเราฝึกดีขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่มีอยู่ในตัวเราเราจะสัมผัสได้ความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกโกรธความรู้สึกอยาก มันจะแสดงตัวจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการที่มันมีอยู่แล้วตั้งแต่เราเกิดแต่เราไม่ได้กลับหันมาดูเพระาะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราจรึงถูกครอบงำหรือถูกไอความรู้สึกอารมณ์เหล่าเนี้มันผลักไสเราให้เราทําตามมันเช่นเวลาเราโกรธเราก็จะชกเราก็จะแสดงอะไรออกไปโดยที่เราบางทีเราทําไปแล้วเรามารู้สึกตัวทีหลังโอ้เราไม่น่าทําเลย นั่นคือสติกลับมาแต่ถ้าเราฝึกสติอย่างนี้อยู่เรื่อยๆความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเห็นก่อนที่มันจะเกิดอารมณ์เหล่านั้นขึ้นมาความโกรธพอมันแค่คล้าๆมันเริ่มมันเริ่ ม, เ ร, มเริ่มร้อนๆขึ้นมาเรารู้ทันแล้วสติหรือความรู้สึกตัวมันจะเข้าไปปรับสมดุลปรับแก้มันเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยจึงมีคุณมีค่ามาก ถ้าเราทําไปบ่อยๆทําเรื่อยๆจากความรู้สึกสุขทุกข์มันจะค้าไปเจออีกตัวตัวเฉยๆตัวปกติซึ่งปกติเนี่ยมันเป็นอารมณ์พื้นฐานของคนเราเลยคนเราที่มีชีวิตปกติก็เพราะเฉยๆนี่แหละแต่เฉยๆในที่นี้เป็นเฉยๆที่รู้ตัวนะไม่เฉยๆไม่ใช่เฉยเมยไม่ใช่เฉยมมเฉยมยเมื่อเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไป พบกอยคือความคิดความคิดนี่ที่มันตัวสร้างสร้างเรื่องสร้างราวต่างๆเมื่อเมื่อตอนเช้าเรามีบทสวดบทหนึ่งที่บอกว่าผู้สร้างเรือนเนี่ยผู้สร้างโคงเรือนสร้างเรื่องต่างๆขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าท่านบอกท่านลืมหมดแล้วก็คือความคิดนี่แหละความคิดที่มันสร้างให้เราดีใจเสียใจที่ท่านอาจารย์พูดถึงนรกสวรรค์เมื่อเช้านี้เพราะฉะนั้น พบภูมิทั้งหลายเนี่ยสังสารวัตทั้งหลายเนี่ยนะเราไม่ต้องไปรอตายเลยมันเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลานาทีที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าสติเราชัดเนี่ยเราเจนพวกนี้หมดเลยเพราะนั้นบางทีเราก็ขึ้นสวรรค์บางทีเราก็ตกนรกบางทีเราก็อยู่ปกติปกติส่วนใหญ่เนี่ยที่เราไม่เป็นบ้าเพราะเราปกติสภาพปกติเนี่ยเป็นสภาพพื้นฐานของคนทุกคน เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจากสติตัวนี้มันจะเข้าไปรู้ในสิ่งเหล่านี้โดยที่เราเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวมือนี้เองจากการเคลื่อนไหวมือจากการเดินจงกรมซึ่งวิธีนี้เนี่ยหลวงป่อเทียนได้พยายามสรุปรวบลัดแล้วก็ให้มันง่ายกับการปฏิบัติมีบางคนมาศึกษาและบอกอะไรมันง่ายขนาดนี้เฉยเหรอ พราะก่อนเคยไปฟังธรรมะว่าจะต้องเป็นเรื่องที่โหสูงสง่งจะต้องทำยากลำบากจะต้องนั่งหลับตาจะต้องรู้ธรรมะอันนั้นอันนี้โอ๋ ه, หลายอย่างเลยต้องให้ทานก่อนแล้วก็ไปรักษาศีลแล้วก็ไปภาวนาบางคนต้องไปถือศีลกินเจก่อนโอ๋นะ ه, มากมายเลยแต่พอมาศึกษาวิธีนี้ปุ๊บทำอย่างเดียวอ่ะแต่มันเกิดผลเกิดธรรมะหลายอย่างขึ้นมา เป็นสูตรกระทัดรัตหลวงพเทียนใช้คําว่าสูตรอึดใจเดียวไม่น่าเชื่อเป็นการสรุปรวบยอดของธรรมะทั้งหลายทําอย่างเดียวเกิดผลหลายอย่างทําอย่างเดียวทําให้เราเข้าไปรู้ตัวเราเองให้รู้จิตใจรู้ทันความคิดไอความคิดนี่แหละที่เป็นตัวที่ทําให้เราสุขทุกข์ดีใจเสียใจเราหลงแต่ก่อนเคยฟังคำว่าอวิชชาอาวิชชาเราก็ไม่เข้าใจ แต่พอเราอ๋อเราไม่รู้ทันไม่รู้ทันความคิดนี่เองคืออวิชาถ้าเรารู้ทันมันก็เป็นวิชาขึ้นมามันก็แจ้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยมันมีมันมีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายสุดท้ายก็คือเรากลับไปสู่ความเป็นปกติของใจซึ่งมีอยู่แล้วถ้าเราตดใจปกติที่มีอยู่แล้วเนี่ยทำไมทำไมเราไม่ได้สัมผัสไอตัวนี้เพราะว่า เดี๋ยวดีใจบ้างเสียใจบ้างซึ่งอารมณ์พวกนี้มันแรงมันก็จะมาบังหรือบางทีความคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เนี่ยมันมาบังบังสภาพปกติพอเรารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยไอ้ความคิดเหล่านี้มันมันหายไปความปกติมันก็เด่นชัดขึ้นมาความปกตินั่นแหละเป็นเป้าหมายที่เรากำลังเดินทางไปและสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในทุกๆคน ความปกตินี่แหละที่หล่อเลี้ยงให้เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจคนปัจจุบันนี้อิ่มแต่กายนะแต่ใจไม่อิ่มหรกเรากินน้ำที่มีรสชาติต่างๆจะเป็นชาเขียวก็ดีจะเป็นน้ำสมุนไพรก็ดีปิดท้ายเรามาจบที่น้ำจืดเหมือนกันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสุขจะทุกข์อะไรสุดท้ายมันจะมาที่ปกติ สังเกตดูนะสังเกตดูถ้าเราสุขดีใจมากๆมันก็ฟูขึ้นไปสุดท้ายมันก็จะมาอยู่ธรรมดาหรือเราตกลงไปเสียใจสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาอยู่ที่ปกติแต่ความที่เราไม่รู้ทันความคิดเนี่ยบางทีเราก็จะอาลัยอาวร์กับความสุขรละลึกถึงความสุขเก่าๆถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจนะสิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นเลยความไม่รู้เท่าทันความคิดนั่นเองอวิชาก็คือความไม่รู้เท่าทันเมื่อเรามีสติมีความรู้สึกตัวแล้ววิชามันจะเกิดเพราะนั้นเราไม่ต้องไปให้มันรู้เลยเราทำอย่างเงี้รับผลมันจะเกิดขึ่นเองแต่ก่อนธารมาก็อ่านหนังสือธรรมะหลายเล่มบอกให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางมันจะปล่อยวางได้อย่างไงแต่พอเรามาฝึกสติเนี่ยสติมันจะเข้าไปจัดการมันมันจะวางเอง มันจะเห็นเลยว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไาในตัวเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่บังคับบัญชาไม่ได้นะภ า, าภาษาภาษาพาก็เรียกอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมันบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยมันก็ไปห่วงไว้ไม่ได้มันไปไปให้มันเป็นอย่างใจเราไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยวางอันนี้เป็นผลจากการที่เราเจริญสตินั่นเองนะคือเมื่อสติมันชัดแล้วเนี่ย สติ ป, สตปัญญาเนี่ยมันจะมาพร้อมกันมันไม่ได้มาทีละอันบางทีเราไปอ่านหนังสือแมันมาทีละอันทีละอันแต่จริงๆมันมาพร้อมกันนะธรรมชาติมันมาอย่างนั้นเพราะนั้นวิธีการนี้จากการที่ได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยก็เห็นว่าเป็นวิธีการที่กระทัดรัดสั้นแล้วก็ใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระไม่ใช่เป็นเรื่องของนักบวชแต่เป็นเรื่องของคนทุกคน สมัยก่อนหลวงพ่เทียนบอกมีพุทธบริษัทสองนะไม่ใช่พุทธบริษัทสี่นะท่านบอกผู้หญิงกับผู้ชายท่านไม่ได้จํากัดเลยว่าธรรมนี้เฉพาะพระไม่ใช่เรื่องของโยมแต่ก่อนตัวข้าพมด้วยทำไมก็คิดว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนวัดเป็นเรื่องของพระไม่เกี่ยวกับโยมโยมก็ใช้ชีวิตกันไปตามโลกโลกเราแยกธรรมกับแยกโลกเรื่องของธรรมะ ยกให้พระเรื่องของโลกเป็นเรื่องของโยมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่จริงๆก็ไม่ใช่ด้วยโลกกับธรรมมันต้องไปด้วยกันเราอยู่ในโลกโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นคารวะเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยโอ้มันร้อนกว่าเป็นพระนะพระนี่สบายนะเราต้องเจอสิ่ ง, งต่างๆมากมายเลยแต่พระสบายเนี่ยบางทีก็ลืมตัวนะ อยู่สบายมากเนี่ยไม่ไม่ได้ฝึกตัวเองนะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ตัวกระผมด้วยกทำไมเองก็พยายามระลึกอยู่เหมือนกันนะเราเป็นนัก บ, บวชเราสบายเราไม่ต้องไปทำมาหากินเหมือนชาวบ้านเขากินกินนอนๆอนะแล้วก็ไม่ได้ฝึกตัวเองนะ น, นี่ก็น่าเสียดายนะโดยเฉพาะที่พระที่เพิ่งมาบวชบวชใหม่ก็ดีอยู่ไม่กี่วันก็ดีนะอันนี้ก็ น่าเสียดายอันนี้ตัวกระผม้วยทำไม เ, เสียดายเวลานะที่มาอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้ฝึกถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยเสียดายมากโดยวัตวัป่าสุโกโตมีวิธีการฝึกที่เอาไปใช้ได้เมื่อท่านศึกไปแล้วหรือพวกเราเนี่ยมาอยู่กันเจวันเนี่ยตั้งใจดีๆผ่านไปสองวันแล้วนะหรืออีก่วันห้าวันเนี่ยตั้งใจดีๆแต่แน่นอนนะที่พูดไปเนี่ยมันดูเป็นภาพเฉยหรู แต่ก่อนก็คิดว่าการฝึกปฏิบัติเนี่ยโอ้โหมันสงบนิ่งนะสบายที่ไหนได้เมื่วงนอนฟุ้งซ่านปวดเมื่อยไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนี่แหละคือเป็นธรรมะเป็นอาการที่มันจะแสดงเป็นอาการเบื้องต้นที่มันมาแสดงให้เราดูแลมาลองภูมิเราดูมาดูซิว่า เราจะไหวไหมจริงๆความง่วงเนี่ยนะมันตรงข้ามกับความตื่นอะถ้าเราผ่านความง่วงเราก็ตื่นตื่นนั่นก็คือพุทธะเพราะฉะนั้นมันง่วงก่อนแล้วมันถึงตื่นไม่มีใครมาทำแล้วตื่นเลยนะมาฝึกปฏิบัติเนี่ยหลายคนยจะไปเข้าใจว่ามาเนี่ยโอโ้ต้องสงบนิ่งเงียบนะมาเนี่ยมันจะเจ อ, อง่วงก่อนเลยนะเพราะฉะนั้น ทำยังไงที่จะแก้ง่ืองซึ่งเมื่อเย็นวันนี้ท่านจันทร์ชูนศิลป์ก็ได้พูดไปหลายวิธีแล้วนะอันนั้นะเราแก้เลยแก้ปุ๊บเนี่ยพุทธะตื่นเลยสมัยก่อนก็เปรียบเทียบความงนวงเหมือนพญานาคอะเราโดนพระยะพญานาคครบรัมถถ้าเราตื่นก็คือเป็นพุทธะจากพญานาคแปลงกายเป็นพุทธะเลยสมัยก่อนเราเคยดูละครที่เป็นเรื่องจักจักงงงอะไรพวกนี้ จริงๆนี่เป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเลยเพราะนั้นตัวเราเนี่ยนะเป็นพญานาคก็ได้เป็นพุทธะก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นเทวดาเป็นพระพรหมก็ได้อยู่ในตัวเราก็คือสภาวะจิตของเรานั่นเองซึ่งตรงนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เราเจริญสตินั่นเองเพราะนั้นเราไม่ต้องไปรอสร้างสมบบารมีชาติหน้าค่อย บรรลุนิพพานตามที่เคยได้ยินได้ฟังกันมามันสามารถทำได้ในชาตินี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะชักชวนพวกเรามาลองพิสูจน์จริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประสบาการณ์ที่ที่ได้พบมาเพระาะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะรับรู้ล้วผ่าน กลับมารู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นไฟสองทางให้เราผ่านทางนี้ได้ตลอดความรู้สึกตัวเนี่ยแต่มาเปรียบเทียบเหมือนเป็ น, เ ป, นเป็นโคมทองอะที่มันส่งทางให้เราเดินไปอย่าไปแวะบางทีทำเนี่ยสงบนิ่งโล่งสบายหลายๆคนก็อยากจะเจออย่างนั้นไออารมณ์นี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันผ่านอีกเหมือนกันอย่าไปแวะผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆ เกิดอะไรขึ้นผ่านโดยใช้ความรู้สึกตัวเพราะนั้นบางครั้งตัวกระผมด้วยตมาเองก็คิดว่าตัวเรานี่นะมีแก้วมณีอ่ะที่มีค่ามากอยู่ในตัวเราแก้วมณีนั้นคือสติสัมปชัญญะแต่แก้วมณีนี้ฤทธิเพชรอันนี้เนี่ยมันมันมันจมมันจมอยู่ในตมตมก็คืออารมณ์ต่างๆเราไม่ได้ขุดค้นขึ้นมาเราไม่ได้อามาจีลาน ถ้ามาเจริญในซะมันก็จะส่องสว่างสำหรับที่เราจะใช้ในการเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นปกติของใจปัญหานี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากและการทำอย่างนี้ไม่ต้องเสียสตังค์อาจจะเสียค่าเดินทางมานะแต่ไม่ต้องเสียสตังค์เหมือนอย่างเราไปไ ป, ไปดูหนังฟังเพลงอะ่ะไม่ต้องเสียสตังค์ไปซื้ออาหารนะ่ะและไม่เสียเวลาด้วยทำได้เดี๋ยวนี้ที่นี่ แล้วทาได้ทุกเวลาดาบใดที่ยังไม่ตายดาบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ดาบใดที่เรายังรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากให้เราลองมาพิสูจน์ดูว่ามันจริงไหมมันมีค่าจริงหรือเปล่ามันจะช่วยเหลือเราได้จริงๆหรือเปล่าในระยะเวา5วันที่เหลือให้พยายามใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด นะวันนี้เท่าที่สังเกตดูเนี่ยพวกเราก็ตั้งใจปฏิบัติกันดีแต่ก็มีบางคนยังอดไม่ได้ที่ต้องจับจับคู่คุยกันนะบางทีอาจจะเป็นเพื่อนกันแล้วคุยกันทำสติมาทั้งวันเลยนะเก็บใส่กระปุกอมสินไว้เนี่ยคุยไม่กี่ครั้งเนี่ยหายหมดเลยแต่เราไม่รู้ตัวนะเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยนะใครที่รู้สึกว่าอยากจะคุยนะ ห่างๆกันไปเลยวันนี้เห็นมีหลายคู่นะจับคู่คุยกั น, นพยายามตั้งใจฝึกพยายามอยู่คนเดียวตัวกับผมด้ยวยตามาเองที่มาวัดป่าสุกโตกันแต่ก่อนๆเ น, นี่ยเราจะไม่พูดคุยเลยนะเก็บเนื้อเก็บตัวเลยแยกตัวไปเลยยกเว้นแต่ว่า ม, มีงานมีอะไรที่ต้องทำล้าก็พูดนิดพูดน้อยมากาพยายามพูดคุยให้น้อยที่สุดเก็บเนื้อเก็บตัว ตรงเนี้ยความรู้สึกตัวมันจะชัดนะก็อยากใ้กำลังใจพวกเรานะที่ตั้งใจมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เรียนรู้เรื่องสตินะสติเนี่ยจะเป็นแสงสว่างส่องนำทางให้เราเห็นตัวเราเองนะและเราจะได้สัมผัสกับความสุขคือความปกตินะที่ไม่ผันแปรนะนีแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นเป็นน้ำพุ ของชีวิตน่ที่อยากให้ความชุ่มชื่นกับตัวเราเราจะได้พบกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำไปเรื่อยๆสติเราชัดเจนและเป็นอัตโนมัติทีนี้อีกอันหนึ่งลืมไปตะ ก, กี้นี้นอกจากเราทำในรูปแบบแล้วเนี่ยเมื่อเราเลิกทำเนี่ยพยายามแม้แต่เราเดินไปทานข้าวทำ กิจกรรมต่า ง, ง, งเนี่ยก็พยายามทําความรู้สึกตัวกับกิจกรรมเหล่านั้น ต, ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้การเจลน์สติของเราเนี่ยเป็นลูกโซ่ที่หลวงพ่อเทียนชอบพูดว่าเป็นลูกโซ่ให้มันต่อนเนื่องนะเราจะให้มันรู้สึกทันทีเลยโดยที่เราไม่ได้สร้างจังหวะเนี่ยยากน้อยยากมากแต่ก่อนเคยไปฟังครูบาอาจารย์บางคนบอกให้ดูใจเลยบางทีมันยาก ใจมันไม่มีตัวตนอะยากแต่คงจะมีหรอกนะคนที่มีสติปัญญาแต่สําหรับตัวผมได้่ยทำไเองทําไม่ได้แต่มาทําอย่างเงี้ยเออมันปเป็นอันนั้นและพอเรามีความรู้สึกตัวกับกับรูปแบบเนี่ยมันจะติดนิสัยไปเวลาเราไปทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราอยู่สี่ห้าวันเนี่ยทําเป็นเหมือนคนไม่รู้จักกันไปเลยจะใจจืดใจดําก็ชั่งมันนะอันนี้เพื่อ เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองแล้วก็ประโยชน์แก่เพื่อนนะคุยกันให้น้อยที่สุดหรือไม่คุยกันเลยก็จะดนะีอันนี้ก็เราจะได้มาทําความรู้สึกตัวเราให้มันชัดๆเพราะเวลาที่เราอยู่เนี่ยน้อยมากนะห้าวันอีก5้าวันเนี่ยแต่บางคนอาจจะบอกโห oh, มันนานนะจริงจริงมันน้อยมากนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ ใ, หใช้เวลาเรื่องนี้ให้ให้มันให้มันเกิดผลนะก็ อยากจะให้กําลังใจพวกเรานะฮะที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุโกโตแห่งนีนะ้ซึ่งเป็นสถานที่ที่เอื้ออํานวยให้เราได้มาเรียนรู้เรื่องของความรู้สึกตัวที่จะเป็นกุญแจไขเข้าไปสู่ความเป็นปกติของจิตนะที่เป็นชีวิตนะที่แท้จริงของเรา แลวเป็นบ้านที่แท้จริงที่เราจะพึ่งได้นะนี่ก็อยากจะฝากพวกเราไว้ก็ขออนุมโมทนากับพวกเราทุกคนนะแล้วก็ขอให้ความภาคภูมิใพยายามของพวกเราทุกคนมีส่วนหรือส่งผลให้การเจริญสติของเราเกิดมากเกิดผลอย่างที่ควรจะเป็นก็ขออนุมโมทนา